ก็วันนี้เราจะศึกษาเรื่องของเวทนาเมื่อวานศึกษาเรื่องของกายว่าในกายของเรามันมีอะไรบางกายเป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงที่เราได้กล่าวไปเป็นที่ตั้งของความไม่สบายเป็นที่ตั้งของการดับไปหมดไปสิ้นไปตลอดเวลาที่ขบวนการของกายทั้งหมดก็แล้วรูปแบบนามนะ เนั้นธรรมชาติมันก็จะมีการแปรปวนเปลีปลป่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็จะต้องมาทนกับมันนะทีนี้ในส่วนของกายเนี่ยความทุกข์ในส่วนของกายความแปรปรวนในส่วนของกายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหมือนกันหมดที่มันจะแปรปรวนเปลีปลป่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะเราเกิดมาด้วยวิบากของมันทีนี้การปฏิบัติวิปัสสนา ก็ดีสมรรถก็ดีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความแปรปนูนเปลี่ยนแปลงของรูปหรือของร่างกายเนี่ยไปมีผลต่อจิตนะที่เราท่านผู้รู้ผู้ตรัสรู้ที่ท่านธรรมาพุทธเจ้าทุกข์องค์ท่านก็จะมาสอนเรื่องเนี้ว่าจะทํำยังไงให้ความเป็นอนิจจังทุกขังาตาความแ ป, ป, ปรปูนเปลี่ยนแปลงความแตกดับสลายของกายที่มีอยู่แต่เวลาเนี่ยไม่ให้มันไป มีอิทธิพลต่อจิตไม่ให้มันเข้าไปในจิตเนี่ยจะทำอย่างไรท่านก็มาสร้างตัวเนี่ยตัวรู้ที่เรารู้ที่เราศึกษากันเนี่ยเอามาเป็นตัวสกัดนะนอกจากตัวนี้แล้วไม่มีตัวอื่นเลยพุทธิยถาบอกมีเป็นหนทางเพียงทางเดียวเป็นเพียงวิธีเดียวอเอกายนโนมโคสัตานังวิสุทธิยาเป็นวิธีเดียวก็คือต้องมาสร้างตัวรู้ เพราะว่าตัวไอความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความแตกลับความสลายเสื่อมของร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะห้ามมาได้เพราะมันเป็นปกฎของธรรมชาติเมื่อมันเป็นปกฎของธรรมชาติอย่างนี้เราก็จัดการอะไรกับมันทั้งหมดไม่ได้คือร่างกายในยเจียะยใา้หายโรคตลอดไปไม่ได้เพราะามันเป็นธรรมชาติของมัน แต่มีวิธีบำบัดให้ให้มันเบาบางได้ไม่ให้มันหนักเนี่ยบำบัดได้ใช้คาว่าบำบัดไม่ใช้คาว่ารักษาบำบัดรักษามาทีใช้ร่วมกันนะ <c oughs> ทีนี้เราก็มาทำความเข้าใจว่าในเรื่องของรูปนามเนี่ยทั้งกายกับใจร่วมกันในส่วนของรูปประกอบด้วยว่าดินน้ำลมไฟ นะต่อเพื่อมีนามเข้ามาเป็นตัวนามนี่ก็ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามาเป็นตัวนามพอตัวนามกับรูปมาผสมผสานกันพอดีเนี่ยมันก็ให้เกิดธาตุดีสองธาตุเรียกว่าอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุมีธาตุรู้เข้ามาตอนแรกมีแต่ธาตุสี่ดีน้ำรุ่มไฟใช่ไหม แต่พอดินน้ำลมไฟผสมสัด ส, ส่วนกันพอดีมันก็ให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ให้ธาตุอีกสองธาตุคือธาตุอากาศกับธาตุวิญญาณธาตุรู้นี่เพราะฉะนั้นก็อาศัยตัวธาตุรู้ที่เกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตัวตั้งที่เราจะพัฒนามันแต่ธาตุรู้ที่มันเป็นวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกเลี้ยกายใจเนี่ย มันก็ยังเรียกว่ามันจะทําให้เกิดตัวภาพข้างในนะภาพทางด้านจิตใจเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็เลยมาแยกเอาตัวรู้ทางกายกับตัวรู้ทางจิตเนี่ยออกกันอีกชั้นหนึ่งตัวรู้ทางกายมันจะออกมาเป็นตัวเวทนานเปเวทนายอย่างที่เรานั่งน ก็มีตรู้ทางกายขึ้นมาเวทนาต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวดเมื่อยเพลียเบื่อเบื่อนี่ไม่ใช่ละเมื่อยไปร่างอาการของกายทั้งหมดเนี่ยก็ให้ให้รู้ให้รู้แล้วก็บับบาตมันไปเรื่อยๆแต่ดังที่ได้กล่าวเรื่องการบราบัตมีสองลักษณะหนึ่งบราบัตด้วยอวิชชาคือรู้สึกไม่สบายก็หาทางเปลี่ยนหาทางไปหาทางอ่า สลัดแบบให้มันพ้นไปจากอาการไม่สบายสมมติเร า, าเราปวดขาอย่างเงี้ยรารู้สึกว่าปวดขาละทีนี้จะทำไงให้มันาหายปวดแล้วก็พริกปับ๊บแล้ก็ปวดปวดขาก็หายหรือเราคันตรงใดจุดหนึ่งเราเอามือไปเกาเก า, เกาอาการคันก็หายอันนี้เป็นสัญชาติญาณคือหมายความว่าพอไม่สบายปัก็เกาปับป๊บเลย อันนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ความรู้แบบอย่างที่เราฝึกนี้แต่เป็นความรู้ที่เป็นสัญชตาตญาณหรือเป็นวิญญาณวิญญาณตรงนั้นอนะ่ะพอมันทําหน้าที่โดยโดยเป็นของมันเองอ่ะโดยที่เราไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าสัญชตาตญาณแต่ความรู้ <c oughs> ที่เป็นสัญชตาตญาณที่มันเป็นไปเองนี่ท่านบอกว่ามันไม่สามารถจะไปสกัดกั้นไอ้ความทุกความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยของรูปเนี่ย ไม่สามารถสกัดกันได้ตัวนี้มันจะต้องล่วงรู้ล่วงเข้าไปสู่นามด้วยนั่นก็คือเหตุของทุกทางทางใจก็เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าทันก็สกัดกันไม่ได้เมื่อเราไม่รู้เท่าทันสกัดกั้นความทุกความแปรปรวนของร่างกายไม่ได้เราก็ต้องรับวิบากอันที่สองคือความไม่สบายใจนะความไม่สบายใจ แต่ความไม่สบายใจพอเราไปบาบัดมันก็เปลี่ยนมาเป็นความสบายใจนะเท่าไปแก้ไขก็เป็นความสบายใจเราก็เลยกลัวความไม่สบายแล้วก็ไปสแสวงหาแต่ความสบายทั้งกายทั้งใจเกิดขึ้นนี่คือความรู้ที่เป็นสัญจตยานมันจะทำงานในลักษณะอย่างนี้นะแต่พอเราได้ฟังคำสอนของท่านผู้รู้ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจนมาถึงพระหันทั้งหลายแต่เราถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะสกัดกั้นไอ้ตัวความแปลบุนแปลแพงของร่างกายนยีไม่สามารถสกัดกั้นได้มันจะต้องเข้าไปสู่จิตแน่นอนนะแต่ความรู้สึกในกายหรือในรูปในนามเนี่ยมันมีสามความรู้สึก หนึ่งความรู้สึกที่สบายที่เราสวดไปเมื่อกีเรียกว่าสุขเวทนาอันที่สองความรู้สึกไม่สบายเขาเรียกขขว่าทุกขเวทนาอันที่สมความรู้สึกไม่แน่ว่าทั้งสองเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันก็จะปรากฏทั้งสในเวลาเดียวกันเช่นเรานั่งลงไปใหม่รู้สึกสบายเพราะนั่งไปส็อกพักรู้สึกไม่สบายเสียแล้วก็จะเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนเนี่ย ระหว่างสุขกระทุกมันกำลังไหลเปลี่ยนผ่านกันเนี่ยเขาเรียกอัทุกรรมสุขนะในช่วงที่มันเปลี่ยนจากทุกข์กายไปเป็นสุขจากหนักกลายไปเป็นเบาหรือจากเบากลายไปเป็นหนักในช่วงเชื่อมต่อตรงนั้นเราไม่ค่อยได้สังเกตความรู้สึกสบายแล้วก็รู้ชัดความรู้สึกไม่สบายแล้วก็เห็นชัดแต่ความรู้สึกทั้งสองส่วนที่มันกาลังเปลี่ยนผ่านกันทั้งสบายไม่สบายกาลังะสมประสานกันเนี่ย รู้ไม่ชัดนะน้ํามีสามน้ําเช่นน้ําใสน้ําขุนก็น้ําที่มันกึ่งขุนกึ่งใสเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําอะไรคือไม่ใสแต่ก็ไม่ขุนเขาบอกขุนคือขุนข้นเลยอะเขาใสคือใสเจ๋ยวเลยแต่พอมาผสมกันปั๊บน้ําขุนกับน้ำใสกลายเป็นน้าอะไรน้ําขุนน้อยแล้วน้ำใสน้อยไป แล้วเรียกขุนก็ไม่ใช่ใส่ก็ไม่ใช่ตรงนี้ถ้าเป็นภาษาทางจิตเขาเรียกอทุกขก็ม่สุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์จะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าสบายก็ไม่ใช่จะไม่สบายก็ไม่ใช่เช่นสุมื่อเรานั่งอย่างหนักพอเปลี่นปั๊บความรู้สึกนั้นแวบเดียวเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นกลางๆนะพอเดินสักพักหนึ่งก็เป็นความสบายแล้วพอนั่งไปปั๊บ ความรู้สึกวายมีเป็นกลางมีแว บ, บเดียวสักพักมันก็หนักไรใช่ไหมเปลี่ยนทันทีเลยช่วงเปลี่ยนผ่านของความหนักไปหาเบาเบาไปหาหนักนี่เรียกว่ทุกขมสุขความรู้สึกชนิดนี้ยากที่จะสังเกตเห็นเพราะมันเป็นเรียก ว, ว่าเป็นการเกิดดับที่ไวมาก <c oughs> ดังนั้นในเมื่อความรู้สึกทางกายมีสามอย่างมีความสบายไม่สบายความรู้สึกยัง ไม่แน่ว่าสบายหรือไม่สบายเขาเรียกคนรู้สึกที่เอามาเรียกสั้นๆว่าคนรู้สึกเฉยๆซะแต่ความจริงมันไม่เฉยแล้วแต่มันกำลังเปลี่ยนผ่านเท่านั้นเองทังนั้นเมื่อรู้สึกสามอย่างนี้เป็นความรู้สึกทางกายทุกสัตว์ตัวตนมีหมดเลยจะมีความความรู้สึกนี้นะแต่ถ้าเราจ ะ, ะไม่ให้ความรู้สึกทั้งสามนีไปมีผลต่อจิต ก็ต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้ตัวนี้เราเรียกว่าญาณจากุงอุทาภิษฐ์ญาณังอุทปภิปัญญาอุทาภิวิชาวุทาภิอโลโกุุทปภิเพราะฉะนั้นในตัวญาณตัวนี้ถ้ามันเกิดโดยไม่รู้ตามธรรมชาติเขาเรียกวิญญาณแต่พอมีสติสัมยาเข้าไปกันกรองตัววินหายไปเหลือแต่ญาณเรามาทําตัวนี้ เรามาเจริญสติสัญญาเพื่อเพื่อสกัดตัววิญญาณกับยานออกจากกันวิญญาณเหมือนน้ากะทิมะพร้าวแต่พอไปกลัน่นไปกรองไปทำกระบวนการออกมาให้มันเหลือน้ําเป็นน้ํามันล้วนๆตัว น, ตนี้เรียกว่ายานน้ําก๊าที่เนี่ยไปจุดไฟเนี่ยติดไหมไม่ติดใช่ไหมแต่ว่าน้ํามันเอาไปจุดไฟมันติดทั้งทั้งที่ออกมาอันเดียวกันแต่มันผ่านกระบวนการ ตัววิญญาณเข้าไปเกิดทําให้เกิดปัญญาได้ไหมเกิดโลกียะปัญญาได้แต่ไม่สามารถเกิดโลกุตละปัญญาถ้าจะให้วิญญาณตัวนี้เป็นโลกุตละปัญญาต้องแยกคําว่าวิญออกให้เหลือแต่ญาณแยกอย่างไรอันนั้นก็คือตัวรู้นี่เองคือตัวสตินี่เองจะไปทําหน้าที่แยกตัวปัญญานี่เองจะไปทําหน้าที่แยกก็คือเวลาเรา รู้สึกสบายเนี่ยทให้เราเอนจอยกับมันใช่สบายทางตารู้สึกดูกภาพแล้วสวยเพลินไปหาดูตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนที่เป็นวิวเป็นอะไรก็ชอบดูมันสวยมันเพลนเนนินเราก็ไปเอ j นจอยกับมันนั่นแหละเขาไปติดยึดในสุขกิทธนาทางตาหรือไปได้ยินดนตรีประกอบเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงาวาจาที่ไพเราะ เพราะพิงวาจาที่หวานหรือเสียงที่มันถูกใจเราก็ประเอ็น joy กับเสียงอันนั้นอันนี้เขาเรียกเกิดจากโสตวิญญาณนะทางจมูกเราก็พยายาม enjoy กับกลิ่นทั้งหลายไม่ว่ากลิ่นอาหารกลิ่นน้ําหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรก็ตามเนะี่รู้สึกมันแต่ถ้าเป็นตรงข้ามถ้าเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นหืนกลิ่นคืนกลิ่นขมเนี่ยเราก็ไม่ เข้าไปเหมือนกันมันก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้ทางรถก็ยิ่งรุนแรงใช่ไหมรถเราก็ไปเอ่จอยกับรถก็เพิ่มการปรุงแต่งต่างๆแล้วปรุงแต่งรถให้มันประณีตให้มันสุขุมให้มันละเอียดให้มันอร่อยหลายระดับเราก็ไปเอ่จอยกับรถอันนั้นสัมผัสก็เช่นเดียวกัน เราต้องการ อ, อากาศที่สบายที่นอนนุ่มๆผ้าเสื้อที่ดีเพราะอากาศร้อนขึ้นมาหน่อยเราก็ไม่ชอบแล้วเพราะอากาศหนาวกว่าที่เราสัมผัสได้เราก็ไม่ชอบแล้ ว, าา แ, ลวแต่เราต้องอากาศที่มันเข้ากับตัวเองอ่ะแล้วก็สัมผัสที่ดีแล้วก็รูปลายสัมผัสต่างๆพให้เกิดความสดุกสนานเราก็ไปติดกายยาวิญญาณเรียกว่ากายยาวิญญาณ เก็ในส่วนจิตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเราต้องการหาอารมณ์ที่พึงพอใจอะไรก็ตามที่มาทำให้เราเกิดความไม่พึงพอใจเราก็ไม่ชอบไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นและสัมผัสเพื่อมาสนองจิตวิญญาณให้เกิดความพึงพอใจตัวนี้เองยึงเป็นที่มาของคาว่าสุขวินาตามตามที่เราได้สัมผัสต่างๆของจมูกลิ้นกาย แต่ว่าสุขที่เกิดจากรูปเสียงกินรสที่เป็นเวทนาต่างๆเที่ยงไหมไม่เที่ยงอาหารที่เราเริ่มกินก็อร่อยพอกินไปนานก็ไม่อร่อยวิวไหนที่เราดูสักพักก็สวยพอสักพักก็ไม่สวยนีแล้วใช่ไหมไปหาดูที่ใหม่เปลี่ยนใหม่เลื่อยๆอาหารรสเดิมถ้วยเดิมยี่ห้อเดิมวันต่อไปก็ต้องเปลี่ยนเมนูมันอร่อยขนาไหนแล้ววันต่อไปก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี นี่เขาเรียกว่าไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทีนี้าการสแสวงหาสิ่งใหม่ต่อไปนี่เองเขาเรียกว่าตัณหาความอยากเกิดขึ้นซึ่งวันก่อนว่าทำไมเราไม่ทานข้าวข้ออิ่มทำไมต้องมีกลับใช่ไหมก็บอกกัน่อร่อยนะท่านเข้าก็ใจหิวได้ละแต่ทีนี้ทำไมเราไม่พอใจกันก็เพราะมันมีความอยากเกิดขึ้น ความอยากที่เกิดจากที่เพิ่มในเองมันเกิดจากวิญญาณคือเกิดการวิญญาณตัวนั้นหมายความว่ามันรู้ไปในต่างๆรู้ไปในสิ่งต่างๆรู้ไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รู้ไปในรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจวินตัวนี้มันมีลักษณะต่างๆแต่เวลาเราจะสะกัดกั้นตัวเวทนาทางกายเนี่ย ความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปดูตาดูอะไรสวยๆเนี่ยตามันชอบหรือใจมันชอบยงสวัสใช่ครับใจมันชอบแต่อาศายไข่เป็นเป็นคนสมัติอา่าอาศัยตาเป็นตาต่าง ใ, <น>ใช่ไหอาศัยจักูุปิญญาอา่าฟังเสียงหูมันชอบหรือใจมันชอบ หูก็เป็นประตูะประตูผ่านนะเนี่ยหูไม่ได้ชอบหรอกหูก็ทําหน้าที่เฉยแต่ใจมันชอบรวมแล้วทั้งหมดรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสไปรวมอยู่ที่ใจอ่าทันั้นก็ต้องแยกแยกตัวรูปเสียงกินรสสัมผัสที่มันไปสร้างความชอบหรือไม่ชอบตรงนี้ออกจะแยกยังไงความพอใจเรียกว่าสุขเวทนาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติกําหนดรู้ มันก็ไปสร้างความพอใจความสบายกายเนี่ยสบายหูสบายตาสบายปากสบายตัวสบายใจเราก็เราก็ไปติดยึดว่าอันเนี้ยพอใจเพราะมันเป็นสุขสบายถ้าหากว่าเป็นความสบายทางกายเราเรียกว่าอะไรคอนเทนต์หรือวาถ้าสบายทางใจแล้วก็แฮปปี้ก็อันเดียวกันเชื่อคอนเทนต์ถ้าไม่สบาย ทางกายหรือว่า uncontent ใช่ไหมพอเป็นสบายทางจิต unhappy นี Un ้เรียกว่า suffer อะไรก็แล้วแต่ละไปจากตัวนั้นทีนี้เราจะทำอะไรให้ตัวรู้แยกออกมาชัดๆทำอย่างไรที่จะแยกน้ำมันออกจากน้ำกว่าที่ชัดๆก็ต้องผ่านการกันกา ร, ก, ารกองการเผากันหุงกา ร, การตุ่มจะโดวยวิธีกรรมใดก็ตามขอแยกเป็นน้ำมันมาให้ได้ เพราะฉะนั้นตัววิธีการคือตัวสมถาก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเปลี่ยนเสมือนเครื่องมือในการที่จะแยกความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณคือน้ำกะทิและความรู้สึกที่เป็นปัญญาญาณคือน้ํามั น, นออกมาให้ได้ในขบวนการแยกทางวัตถุเนี่ยเราใช้ไฟบ้างใช้น้ํามำเป็นตัวแยก อ, อย่างน้ํากะทิเนี่ยมันมีทั้ง แยกร้อนก็ได้แยกเย็นก็ได้ใช่ไหมในตัวของความรู้ทางกายความรู้สึกทางกายถ้าเราไม่แยกมันก็ไปเป็นความรู้สึกทางจิตเป็นความพอใจไม่พอใจความรู้เฉยเฉยไปรู้อย่างนั้นแต่ถ้าเรามีการแยกเกิดขึ้นเราก็ต้องมีเครื่องมือมีวิธีการเพราะนั้นเครื่องมือก็คือ ตัวเช่นเวลาเรามีเตาไฟมีกระทะมีเครื่องกลั่นอะไรเงี้ยเรียกวเครื่องมือวิธีการทําไงวิธีการก็คือจะต้องติดไฟขึ้นมาให้เกิดความร้อนแล้วก็เผาลงไปแล้วปฏิกิริยาทางเคมีเขาก็แยกตัวน้ํามันเปลี่ยนเป น, น้ำกันน้ําก็ที่เปลี่ยนเป็ น, น้ามันไปเรื่อยๆชั้นใดก็ดีตัวเครื่องมือของเราก็คือตัวปฏิบัติวิธีการปฏิบัติจะเป็นผู้โทรสำราหังหนาะ การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเมืม่อใดรมือก็ต้องมีวิธีการวิธีการทำไงวิธีการคือจุดไฟขึ้นใช่ไหมมีห ม, ม้อมีไหมีเต า, ม, เตามีอะไรมีจุดไฟขึ้นการจุดไฟขึ้นในภาษาทางจิตเขาเรียกว่าอาตาปีอาตาปีถ้าหากว่าเราต้องการสกัดร้อนก็ใช้ ตบะถ้าสกัดร้อนอสกัดเย็นเนี่ยใช้ตาบะถ้าสกัดร้อ น, นใช้อาตาปีมันมีสองคำนะเคยได้ยินคําว่าอาตาปีไหมอาตาปะแต่ตาบะนีเราเคยได้ยินบ่อยๆเนี่ยโอ้คนนี้ตาบะสูงยังนะตาบะหมายความมีความอดทนสูงใช่ไหมใช้ตาบะแต่พอเป็นอาตาปะเนี่ยมันใช้ทั้งไม่ใช้สมาธิอย่างเดียวใช้ปัญญาด้วย อาตาปีสัมปชันูสติมาคือใช้สติสัมปญญะแต่พอเป็นตะบะนี่ใช้สมาธิอย่างเดียวแต่พออัตาปีใช้สัมปชันูหรือใช้สติคือใช้สติสัมปญญะถ้าสกัดเย็นใช้สติสัมปญญะถ้าสกัดร้อนใช้สมาธิเห็นไหมอันนี้มาขบวนการเดียวกันชัดๆเลยแต่เนื่องจากว่าเรายัางโยงกันไม่ติดการปฏิบัติของเราก็ไม่เข้าใจ พอดวงตาของเรายัางไม่เกิดพอดวงตาของเราเกิดมันโยงกันอ๋ออันนี้เป็นขบวนการวัตถุเ ป, อ, คคเปอย่างนี้ขบวนการทางนามธรรมไปอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วก็ทําได้โดยที่ไม่สงสัยแต่ทุกวันนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจด้วเราทําด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะอันมันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงทำนี้ไปก็เกิดข้อสงสัยแต่พอเห็นชัดว่าอ๋ขอขบวนการทางรูปธรปรมต้องทําอย่างนี้ขบวนการทางนมามธรรมต้องทําอย่างนี้การสกัดจากความดิบออกจากข้าว ก็ไปผ่านไฟเป็นข้าวจเขา้ า, าสารเป็น ข, ข้าวสุกการสกัดเนื้อทั้งหลายที่มันดิบมันขาวให้เป็นเนื้อสุกให้มันหอมมันหวานก็ต้องผ่านไฟนี่คือคือวนการทรุธรรมเนาะไอการสกัดจิตวิญญาณของเราที่มันดิบมันเถื่อนโดยสัญชติยานเนี่ยให้มันเป็นจิตวิญญาณที่มีความเมตตามีโกโุณาก็ต้องผ่านตะบะทั้งสองประการนี้ เพราะนั้นถ้าหากวอมเพนตะบะใช้สมาธิอย่างเดียวท่านใช้กว่าสมถภาวนาแต่หากว่าใช้อาตาปีคือการสกัดเย็นใช้สติสมัช ญ, ญ์ะเราจึงมาใช้ตัวอาตาปีคือนั่งเคลื่อนนั่งไหวอยู่นี้ก็เรียกว่าเพื่อสร้างอะไรสร้างสติสมัชย์ยะเพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงไม่ได้เน้นที่สมาธิเน้นสติสัมัช ญ, ญ์ะเพราะเราจะต้องการสกัดเย็น เพื่อให้ไปสู่การดับเย็นของของจิตทีนี้ขบวนการขบวนการสกัดเย็นกับสกัดร้อนเนี่ยนนง่ายกว่ากันสกัดเย็นเขาเรียกอะไรคูลเพลสใช่ไหมคูลเพลสถ้าสกัดร้อนเขาเรียกฮอตเพลสเพราะนั้นสกัดร้อนก็เป็นวิธีการที่เราทําทั่วไปใช่ไหมก็คือมันง่ายดีแต่สกัดเย็นนี่เขามาทําไง อมีความรู้ทั้งนี้มันก็มีเครื่องมือค่อนข้างราคาแพงใช่ไหมแต่โดยธรรมชาติบ้านนอกเราก็คือพอทํากระที่มาก็เอามาตั้งให้มันตุกตะกอนให้กระที่มันตุกตะกอนไอ้ที่ลอยข้างบนก็เป็นน้ํามันใช่ไหมอันนี้ส ก, กัดเย็นโดยโดยวิธีง่า ย, ายๆแบบธรรมชาติบ้านเราทําเคยทำใช่ไหมฝาข้างบนแต่ส ก, กัดเย็นแบบนั้นน่ะมันมีน้ําปนเยอะฮะ แต่สกัดเย็นเดีอีกเครื่องใช้เครื่องมือเนี่ยเอาเครื่องมือเป็นแพงนะเครื่องมือสกัดเย็นเนี่ยฉันใดก็ดีตัววิปัสนาเราใช้ตัวสติสัมปชัญญะซึ่งต้องมาใช้เทคนิคอย่างที่เราทำเนี่ยอันเทคนิคอย่างที่เราทำนี่ก็เป็นใช้เป็นเครื่องมือสกัดก็มาใช้ตัวเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตให้ต่อเนื่อง เฝ้าดูตามดูนะตามดูแต่ถ้าหากว่าเป็นสกัดร้อนเขาจะใช้วิธีเพ่งเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งแปลว่าเผาใช่ไหมเมืนก็ติดไฟขึ้นเราไปเผากุนหม้อเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าฌานชาปนกิจนี่ยสามเดียวกันนะชาปนกิจแปลว่าอะไรแปลว่าหอยศพใช่ไหมอันนี้แปลว่าฌานอย่างเดียวมันเผากิเลสแต่เผาหมดไหมเผาไม่หมดอ่า เพราะฉะนั้นไฟมันไม่หอ่อถ้าชานมันสูงมากเผาน้ำออกไม่หมดเหมือนกันแต่สกัดเย็นเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเผานะเราใช้วิธีสกัดอีกแบบนึงก็คือเข้าไปตามดูแยกเม็ดออกมาเลยว่าตัวน้ำมันเป็นสารอย่างไรตัวน้ำเป็นสารเขาพยายามแยกๆยกยกแย ก, แย ก, แย ก, แยกจนกระทั่งว่ามันแยกออกหมด จะให้มันสูงเท่าไหร่บางทีนะตัวที่สกัดเย็นเนี่ยแล้วเอาไปสกัดร้อนอีกทีนึงเพื่อให้บริสุทธิ์ก็ได้คือใช้ทั้งสมถะและวิปัสนาพอรู้ว่าสมถะคือใช้การเพ่งเผาใช่ไหมวิปัสนาใช้สกัดเย็นแยกเนื้อของตัวน้ํามันกับกะที่ออกจากกันโดวยวิธีการทางวิทยศาศาสตร์วิปัสนาเหมือนกันแยกตัวรู้ตัวไม่รู้ออกจากกันโดวยวิธีของวิปัสนา แยกตัวคิดกับตัวไม่คิดออกจากกันแยกตัวรู้สึกทางกายกับรู้สึกทางใจออกจากกันโดยวิธีวิปัสนาอันนั้นคือใช้คาว่าถ้าทางกายเรียกว่าอนุปัสนากายานุปัสนาสติเพราะนั้นในวิธีการที่ถูกต้องคือการตามดูตามดูไปเรื่อยๆตามดูถ้าทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็บำบัดมันไปเรื่อยๆลักษณะตามดูแลกำบัดอย่างรู้นึกรู้ตัวเองเขาเรียกว่าตัวสัมปชัญญะ และตัวชี้ว่าขณะนี้อาการเป็นยังไรหนักแล้วนะเบาแล้วนะเนี่ยอาการที่ชี้จุดชี้เป้าลงไปยังรเรียกว่าสติพอชี้เป้าลงไปได้ถูกจุดแล้วเข้าไปแก้ไขเรียกว่ า, ารู้ว่ามันเกิดตรงไหนชัดๆแล้วก็เข้าไปบําบัดเรียกว่าสัมปชัญญะก็เป็นปัญญานี่คือวิธีแปลเปลี่ยนของมันตามรู้ไปเรื่อยว่าอะไรเกิดตามรู้ตามรู้แต่ไม่ต้องเ่ง ตามการลักษณะของการตามดูเนี่ยกับเพ่งเนี่ยต่างกันนะใช่ไหมเพ่งนี่คือมันจ้องจุดเดียวใช่ไหมแต่าตามดูมันมันดูทั่วๆเราใช้คำว่าสังเกตก็ได้สังเกตตามดูดูดูทั่วทั้งหมดแต่ถ้าหากเพ่งหมายความว่าดูจุดเดียวนะพยายา ม, มมาซึ่งเปรีเสมือนว่าการดูให้ทั่วเนี่ยเหมือนกับไฟหลอดเปิดป๊อปมันสว่างทั่วแต่ถ้าหากว่าเพ่งเนี่ยเหมือนกับกดไฟฉายเพราะ ก็จุดที่เราสองเท่า น, นั้นที่มันจะเห็นใช่ไหมหรือมันแสงแตะวันถ้าหากว่ามันมีอะไรไปโฟกัสมันก็จะสว่างไปทั่วโลกแต่เมื่อไรเราต้องการโฟกัสมันเหลือจุดเล็กๆใช่ไหมเอาแมกเนติกขึ้นมารวมแสงเป็นจุดเล็กนิดเดียวอันนี้ว่าเพ่งคือรวมทั้งหมดมาไวเหลือจุดเดียวนะจิตของเราเหมือนกันถ้าเพ่งความรู้สึกให้จุดใดจุดหนึ่งรา่นใชว่ากรสินนะ กระสินน้ำกระสินลมกระสินไฟกระสินลูกแก้วกระสินลมหายใจเพ่งตัวนี้จิตก็รวมได้เหมือนกันแต่ว่าจิตรวมแล้วมันกลายเป็นความเร่าร้อนอความเร่าร้อนของจิตพอจิตที่เร่าร้อนเนี่ยท่านบอกว่ากิเลสมันจะอยู่ไม่ได้มันสกัดออกนะมันสกัดออก มันก็มีถึงสามขั้นใช่ไหมไฟอ่อนเขาเรียกวคณิกะสมาธิไฟกลางเขาเรียกว่อวยจารสมาธิไฟแรงที่สุดกอเป็นอัปปนาสมาธิกิเลสมันก็หลบเลยมันไม่ได้หมดหรอกเราะมันร้อนตรงนี้มันก็หลบไปทรงนั้นมันหลบมันไม่ได้ตายอย่างเราพอออไปตรง้อนตรงนั้นก็หลบเข้ามาตรงนี้กิเลสมันถูกชานเพ่งเผาใช่ไหมไม่ใช่มันจะไหม้นะมันหลบเอาพอที่นี้พอกําลังชานอ่อนอีกมันกลับเข้ามาใหม่ นี่สาเหตุที่มันสกัดไม่หมดเพราะมันไม่ได้ตายนะมันหลบไปเท่านั้นเองหรือมันย่าเราเผามันแต่ข้างบนเนี่ยข้างล่างมันมีรากอยู่พอฝนพอน้ํารูปมาอีกไอ้รากข้างล่างมันขึ้นมาอีกอันนี้คือวิธีของสมถะมันไม่ได้ตายอย่างเด็ดขาดมันมีรากอยู่นีที่ว่าวิธีของสมถะมันสามารถทจะไม่ดับทุกได้ทั้งหมดอย่างสูงสุดจะได้แค่ความสงบที่ช่วงขี้เลิ มันหลบไปเท่านั้นเองแต่พอกําลังชานอ่อนขึ้นอ่อนลงอตัวเกียร์ก็โผล่มาใหม่ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวได้ใ น, นเมื่อเรายังไม่ได้สกัดตัวรู้ออกจากตัวไม่รู้เนี่ยเราสกัดยังไม่เป็นเราก็บังคับให้ตัวไม่รู้ลงไปก่อนให้เหลือแต่ตัวรู้แต่เมื่อไหร่ตัวรู้มันอ่อนลงตัวไม่รู้โผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเคแล้ววิธีสมถะ แต่พอมาใช้วิปัสนาวิธีแยกทาไงวิธีแยกก็ตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้อันไหนที่ไม่เข้าท่าหยิบออกอันไหนที่เป็นน้ำมันน้ำกะิสกัดออกอันไหนเป็นน้ามันคัดเอาไว้เป็นเสียวเป็นเซียวเลยตามรู้ไปเรื่อยๆ เ, เราก็ใช้วิธีสกัดเย็นก็คืออันไหนที่เป็นน้ำเราก็มีเคมีอะไรบางตัวเนี่ยล ละลายลงไปในกะทิทําให้เกิดตัตะกอนเหมือนกับไอสารส้มอ่ใช่ไหมพอไปแก๋งในน้ำไอตัวที่เป็นฝุ่นเป็นผงก็จะตกตะกอนไอตัวที่เป็นน้ําที่เฉยมันก็จะลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมในน้ํามันกะทิก็เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช้สารส้มแก๋งยายพลเคยทํำไหมเอาสารส้มไปแก๋งในกะทิให้มันน้ํามันอุดมแท่เดียวกันบ่ มุมีนะมันเดต้องมีสารเคมีมั้งที่ให้ให้ไอตัวไอตะกรอนของไอกระทิดตกแล้วให้มันลอยฝาขึ้เป็นน้ํามันน่ะนะมันมีอยู่เขาใช้สารเคมีอะไรบางอย่างเหมือนกับเราใช้สารส้มแขวงน้ำอะทำมุติแล้วก็ดูน้ําก็ใสเนี่ยพะแก่สารส้มไปก็เห็นมีตะกรอนลงอีกนี่แหละกรองละเอียดให้สารส้มเหมือนกันการที่จะใช้สมถะเนี่ยเอาจิตมันขุ่นมันมัวมันไม่ใสเด็กก็เอาสมถะ มันสารส้มแข่งเข้าไปสมาธิเนี่ยเป็นก้อนแข่งแข่งเข้าไปเดี๋ยวความไม่สงูงมันก็ตรุกตรกร่อนใช่ไหมก็เหลืออยู่เป็นน้ําเป็นความสงบรออยู่ข้างหน้าแต่พอไปกวนไม่ได้นะกวนในที่ตรุก่อนมันขึ้นมาใหม่ใช่ไหมน้ําที่เราเรากวสารสาส้มนะเป็นในขุนหนาตื่นข้างล่างถ้าไปกวนนู้น้เออที่ถ้าพมันขุนตอนใหม่นี่นหน้า เ, เกียดกว่าเก่านะเอออันใดก็ดี สมถะเป็นแบบนั้นคือบำเพ็ญสมาธิกําหนดให้เครข่งกเหมือนเอาสารสู้ไปแขวงเพื่อให้อตะกรอนมนุษย์แต่ในวิธีของวิปัสนาจะไม่ใช้แบบนั้นใช้วิธีปัสนาเราใช้ฟิลเตอร์เครื่องกรองเดี๋ยวนี้เครื่องกรองหลายหลายชั้นใช่ไหมเครื่องกรองหลายชั้นออกมาในน้ําผุนออกมาในสาใสเจ๋วเลยเหมืกันอนะไอลักษณะกรองไปเชนชั้นขเขาเรียกวิปัสนาญาณ กองสิบหชั้นกองสามชั้นกอง9้าชั้นนั้นมีปัญหาอะไรยานมีปัญหาสามมีปัญญานเก้เรญญาดีนี่ไหมีมปัญนาญสิบหเพื่อกรองจิตที่มันขุ่นมันโม่มทั้งหลายเนี่ยลงมาตามลําดับเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติแล้วติดตั้งเครื่องกรองล้เนี่ยที่มาติดตั้งเครื่องกรองแล้วก็เริ่มกรองไปเรื่อยๆกรองตัวความคิดให้มันมาเป็นสติให้เป็นสัมผัสัญ ญ, ญาให้เป็นปัญญา แต่ถ้าหากว่าไม่ได้กรองมันก็ความคิดก็กลายเป็นอะไรพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยๆพอสติสัญญาเข้าไปกรองมันออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างอนิจจังเนี่ยทุกขังหน้าตาสามตัวนี้เป็นตัววัตถุดิบใช่ไหมมันทําให้ร่างกายของเราแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลาพอเรามาเจริญสติสัญญาเราเริ่มติดตั้งเครื่องกรองแล้วกรองอานิจจังกรองอยังไงกรองเป็นไหม เดีวันนี้เทคนิคขั้นสูงนะต้องต้องศึกษากันหน่อยกรองอ น, นิจจังให้เป็นศีลได้ไหมได้ถ้าสมมุติว่าร่างกายที่เมื่อกี้มันมนั่งสบายพอ nang ไปนานมันมันเปลี่ยนละแปรปรวนอณิจจังเนี้ยเปลี่ยนเป็นหนักหรือเป็นเบาก็เปลี่ยนเป็นหนักใช่ไหมนั่งนานก็หนักกล้นไปเรื่อ ย, อ, ยอันนี้เขาเรียกว่าโดยธรรมชาติมันเปลี่ยนเนี้ยที่เราจะกรองเอาตัวหนักออกได้ไหม คือหมายวมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็เบาเลยได้ไหมอ่าได้สองลักษณะถ้ากรองชั้นเดียวจุดเนี่ยมันก็น้ําก็ใสแบบใสแบบคุนๆฮะมันได้ชั้นเดียวพอกรองด้วยสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นขึ้นไปขยับนิดหนึ่งความหนักหายไปนิดหนึ่งใช่ไหมขยับอีนิดหนึ่งความหนักหายขยับอีน้อยความหนักเป็ไงกรองเอาความหนักออกไปละเหลือไปไง อ่าเป็นความเบาความเบาเหมือนน้สาสะอาดขี้ตุ่มของความหนักออาไปละแล้วก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาใหม่ว่าเรารู้กระบวนการหายไปยังไงเกิดขึ้นยังไงความเบาเกิดขึ้นยังไงความหนักหายไปยังไงตัวรู้เข้ามาใหม่นิดตัวนี้เขาเรียกเกิดเป็นปัญญาแต่แทนที่มันจะเป็นทุกขังใช่ไหมถ้าเราพลิกไปโดยที่ไม่รู้เดี๋ยวมัเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทุกขังตัวนี้เข้าไปในจิตก็จิตก็ไม่สบายเพราะนั่งไปหนัก นานๆเ น, นนะีรู้สึกเป็นไงกุนิดลำคาญใช่ไหมไม่พอใจทำไมหลวงพ่อพูดนานทําี่เกียรตฟังแล้วลุกหนีดีกว่าแล้วมันจะเกิดมุนิดลำคาญอะไรใช่ไหมอันนั้นหมายความว่าตัวหนักทางด้านกายเนี่ยมันล่วงเข้าสู่จิตแล้วมันก็ให้เกิดกุนิดลำคาญพ่อเราไม่ได้กรองแต่พอเรามีสติในการฟังแล้วก็รู้ความหนักไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยขยับไปเรื่อยร่างกายก็สบายนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็มันไม่รู้สึกนัก รู้สึกสบายอยู่เพราะเราขยับปรับเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหด้วยความรู้นื้รู้ตัวก็ได้ทั้งเปลี่ยนอนิจจังมาเป็นศีลมีศิลปะในการปรับความหนักออกจากเบาปรับเบาให้เป็นหนักเป็นเพราะนั้นศีลจะเกิดเขาว่าศีลก็ศิลปะจึงมาจากคำเดียวกัน the art of practicing the art of changing the art of improvement i m p r e e n t เป็นศิลปะ the art of อ่า moving อ uh, ่ we can release the un h uh, e a v i n e s from the body become the lightness transform because the art of that because we use the cell our n it and mind f it and s e l l it to be the uh we call future here กรองใช่ไหม future น่าสนใจไหมเฮ้นี่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตขึ้นมาแล้ว อ่าสใจิลลี่ interesting about that we talk about how to f o l future from ว feeling to be mental feeling uh, feel uh, changing to be unchanging ย uh, ึดเ e l ล์ our net and my phone net to be the future now we talk about that but the next อุ้มือาบินขาไปอยู่ใเดร ลูลิษาต้องเข้าใจให้ดีนะเดี๋ยวไปอธิบายให้อาเจ้าฟังเองอาจารย์อาเจ้าเพราะนั้นเมื่อเราเรากรองอย่างนี้เนี่ยมันก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆใจของเราก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใจที่มันเคยขุนมัวเศร้าหมองด้วยนิวรด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงใจแล้วก็สะอาดเหมือนได้น้ําะอาดขึ้นมาได้น้ําะสาดที่ใช้ได้ทุกทุกเรื่องเลยใช่ไหมในบ้านของเรามีตั้งหลายน้ํา น้ำกาแฟเป๊ปซี่โคลกน้ำจุยน้ำไอ้แกงน้ำน้นน้ำนี้น้ำพวกนั้นใช้เฉพาะเรื่องใช่ไหมใช้ไม่ได้ทุกเรื่องแต่ถ้ากลองเป็นน้ำสะอาดใช้ได้ทุกเรื่องใช่ไหมคุณจะอาบจะสงจะวยซักผ้าจะล้างตีนล้างมือได้ทุกเรื่องจิตที่สะอาดแล้วใช้ได้ทุกเรื่องทํางานได้ทุกเรื่องแต่จิตที่ยังไม่สะอาดทํางานได้เฉพาะเรื่องใช่ไหมน้ําปลาร้านี่กูจะมาอาบได้ไหม น้ำกาแฟทคุณมาสักผาได้มันก็เป็นน้ำเหมือนกันนะไม่ใช้ไม่ได้น้ํามันเนี่ยคุจะมา อ, อะไรอะทูพื้นได้ไหมขัดล้างเพื่อล้างจามยิ่งล้างก็ยิ่งเปื้อนเลยน้นําเฉพาะเรื่องเนี่ยแต่น้ําสะอาดยิ่งล้างก็ยิ่งสะอาดเพราะฉะนั้นเราถึงกรองจิตเข้ามาให้เป็นน้ําสะอาดเพื่อจะใช้ชีวิตได้ทุกๆ ก, กรณีโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้เราใช้บางเรื่องใช่ไหม คบได้บางคนนอนได้บางที่กินได้บางอย่างเนี่ยมันไม่ทั่วไปพอกองใจให้สะอาดนอนที่ไหนก็ได้กินเนีอย่างไรก็ได้ไปที่ไหนก็ได้คบกับใครก็ได้เข้ากับคนดีก็ได้เข้ากับคนชั่วก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่ได้กรองมันต้องนะกูจะคบกับคนดี้ะคนชั่วกูไม่คบนัเนี่ย <c oughs> ไม่ไหมนี่ที่ความเฉพาะเรื่องเฉพาะการของมันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต่างกันเลยระหว่างตัวรูปประธรรมกับนามปรธรรม แต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันยังมองไม่เห็นสภาวะ น, นี้เราถึงไม่มั่นใจขบวนาการในการปฏิบัติปฏิบัติไปก็ยังสงสัยไปปฏิบัติไปไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้เห็นว่ามันเชื่อมต่อกันอย่างไรไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่พอเห็นเป็นรูปธรรมนี่โอ้โหมันจะไม่สงสัยเลยใช่ไหมปฏิบัติตลอดพราะรู้ว่าน้ําใส ย, ยิ่งเยอะยิ่งดีอใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตอบไปเข้าบ้านต่อน้ําเข้าบ้านหมายความว่าบ้านหลังนั้นอยู่ได้แล้ว แต่ไม่ได้ต่อน้ําที่เราชอบนะเบฟซี่โคลา่าวท์เมิวไม่ได้ต่อพวกนั้นเข้ามาหรือกาแฟนี่ไม่ได้ต่อพวกนั้นเข้ามาแต่ต่อน้ําใสเข้ามาราค่าจะแพงขางนาดไหนก็ต้องต่อเพราะฉะนั้นความใสสาดของจิตก็เปิดไปน้ําใสเราต้องสแสวงหาให้เยอะแต่น้ําใสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อะไรก็ติดเครื่องกรองคือสติสมัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาน้ําใสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นไง น้ำคุณก็เข้ามาน้ําเผลอไปกินน้ำปลาน้ําชากาแฟน้ําเหล่าน้ํายาน้ำไม่คงน้ําอะไรก็ว่ากันไปน้ําอะไรอะน้ำไวายนะอะไรก็ม่ันน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะการก็เกิดขึ้นน้ํเหล่านั้นก็เป็นพิษเป็นภัยแต่เราไม่มีเครื่องกรองทําไงก็จำเป็นต้องกินนะนะเพราะฉนั้นมานี่เรามาติดตั้งเครื่องกรองของตัวรู้คือสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยถ้าเราเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจอุหน่าเบื่อมากนะเนะบือ่อหนีไปไหนก็ไม่พ้นนะในขณะที่นั่งปฏิบัติเนี่ยถ้าเบื่อก็อย่าไปทำอยู่อาการอันนี้คุณเบือ่อนี่คุณก็ไปทําอย่างอื่นได้เนี่ใช่ไหมเบื่อนั่งก็เดินเบื่อเดินก็ยืนเบือเบ่อยืนก็นอนมาที่นี่หลวงพ่ออนุ ญ, ญาตให้นอนได้ด้วยนะแต่ถ้านอนเป็นกลุ่มก็ไปนอนใครนอนมันไม่เอาด <laughs> เดี๋ยวมันตเตลิด น, น ะ, ะเพราะฉะนั้น ด้วยวิธีการเจริญสติมันจะชี้เป้าว่าขณะนี้ปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคุณจะแก้หรือไม่แก้ความเบื่อเป็นปัญหาไหมความง่วงเป็นปัญหาไหมความขี้เกียจเป็นปัญหาความฟุ้งซ่านเป็นปัญหาความลังเลเป็นปัญหาใช่ไหมสติมันจะบอกเราแต่เราจะลงมือทําให้ทําสติตัว น, นั้นเป็นสมาสติหรือเปล่าถ้าเป็นสมาสติพอสติตัวนี้ชี้เป้าปับ๊บมันก็จะแก้ได้เป็นสมาสติ แต่ถ้าสติชี้เป้าว่าเออมันเกิดเรื่อนี้ขึ้นนะเราไม่แก้ตัวนั้นเป็นมิจฉาสตินี่เดียวอ่ะใช่ไหมก็รู้ว่าจะง่วงอยู่ก็ไม่ยอมแก้งับงับไปมิจฉาสติเกิดแล้วนะแต่รู้ว่าง่วงตรงนี้แก้แล้วแก่อยิงเอาลูกหนีเลยนะจากนั่งก็เป็นเดินจดยรวมบางครั้งโดยจงก็ง่วงอีนกนะโดยจูงแบบสลืมสลือตาอยัางปิดอยู่เลยทำไงก็เดินออกไปข้างนอกไปดูฟ้ า, ด, ฟ า, ด, ฟาดูไฟดูใบดูไปไม้ไปลาดอกให้มันตื่น กลับมานั่งใหม่แต่ว่าบางทีสติแล้วไม่พอรู้มีวิธีแก้เยอะแยะแต่เราก็รู้ไม่ทันชี้เป้าไม่ถูกนไแล้วก็นั่งแช่อยู่นั่นมันเบื่อก็นั่งแช่อยู่นั่นมันก็เลยทําให้ต้องจากสัมมาสติเป็นวิชฉาสติก็สลับกันอยู่เนี่ยได้สติขาสติได้สติข า, ส, ส, ขาสลับกันตลอดเวลาทีนี้ถ้าหากเราจเจริญตัวรู้นี้ต่อเนื่องเขื่มแข็งเนะี่ยมันก็จะมีความแข็งมันจะรู้ไวขึ้น แล้วมันจะชี้เป้าได้ไวแก้ไขปัญหาได้เร็วซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อว่าพวกเราจะต้องศึกษาให้เยอะขึ้นแล้วก็ทําไม่ใช่ ท, ำทํำเถือกเถือกนะทำอย่างรู้จังหวะจากูลอย่างน้ำมวยขึ้นเวทีคุณชกเถือกเถือกไปไงคุณฝูกสอยล่วงได้ไง่ายคุณไม่มีจังหวะจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะเต้นจังหวะถอยอะไรก็ต้องมีแบบน้ำมวยอขอว่าตัวรู้กับตัวไม่รู้มันสู้กันแตลอเวลา ตัวงวงเกิดจากความไม่รู้ใช่ไหมพอเรารู้อ่ะตัวนี้งงวงมาเราเอาตัวรู้เข้าไปแก้ตัวรู้มันจะเข้าไปแก่อหายงงไปตัวเบื่อเข้ามาหมายความตัวรู้มันตัวไม่รู้มันเข้ามาแล้วเราก็แก้ตัวเบื่อออกไปสู้กันตลอดเวลาแล้วก็มันมีเยอะด้วยนะเบื่อว่างงวงบางหิวว่างเมื่อยบ้างอะไรถ้าขึ้นเวทีเนี่ยมวยมันก็โชกันหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมแต่ห้องเราไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหกมาทีเดียวหลายตัวเลยทีนี้อันนี้คือความยากของมันคนเดียวแต่สู้หลายคนถ้ า, าเราไม่ได้จริงเอาชนะเขาได้ไหมอยากว่าอน่างเราดื่มมาพัฒนาตัววิธีการให้ชำ น, นิชำนันถ้าสมมุติว่าไอ้พวกที่มาสู้กับเรามันสิบสิบคนอะเราสู้ไหวไหมไหวถ้าเรามีปืนหนึ่งกระ บ, บอกไอ้พวกนั้นไม่มีปืนเลยมั น, ม, นมันสู้เราได้ <laughs> มันวิ่งหนีกันจุกเลยแหละเหมือนกัน ถ้าหนึ่งจอหนึ่งหนึ่งอสิบถ้าเรามีอาวุธอ่ะเกียมันต้องกลัวแล้วใช่ไหมแล้วคุณมีอะไรเป็นอาวุธนี่มีปัญญาเป็นอาวุธมีปืนมีหอกมีดาบคือปัญญาใช่ไหมคือจัด ก, การได้เลยตัวไหนมาจัด ก, การทีเดียวได้รวบทีเดียวเล ย, ร, เ ย, เลยรู้ไอ้ความเบือ่อความง่วงความเ้าขี้เกียจความเบื่อความเซ็งความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมาเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมแล้วรู้ไอ้พวกนี้มันมาจากไหนเราตัดตน้นตอมันทีเดียวเลย ปืนก็ บ, บอกเดียวจะมาชักออกมาเนี่ยไอ้พวกนี้ถอยกลู่เลยใช่ไหมเออลุนลุนสู้กระเบิดกกบบใส่ก็เปิดเลย <c oughs> แค่นี้ยนี่คือเทคนิควิธีการในการต่อยสู้อย่าไปสู้ทีละตัวสูไวไ้ไม่ไหวไหมไม่ไว้หรอกอ น, นะนกเดี๋ยวมันถูกเราก็ถูกลุมแต่ส่วใหญ่ก็ถูกลุมใช่ไหมนั่งสักฟ้าก็มีอาการแล้วง่วงก็มาลุ่คิดก็มาลุมฟุกเฟืกไม่ออกแล้วนะถูกล็อกคอหักคออะไรทีเนี้ยโอ้สนุกในการต่อยสู้กันอย่างนี้นะ แล้วก็สนามต่อสู้นี่ไม่เคยจบตลอดเวลาใช่ไหมต่อสู้ระหว่างรู้แล้วไม่รู้พอใจแล้วไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบให้หรือไม่ให้อยากหรือไม่อยากกินหรือไม่กินต่อสู้กันตลอดอืไปเห็นอาหารอร่อยใจมันอยากกินแต่บอกว่าอันนี้มันมีฝผงชโรสเยอะนะอีกอย่างหนึ่งอยากกินนะแต่ใจมันอยากกินสู้กันอีกแล้วใช่ไหมดังนั้นไอาการต่อสู้ในในสงครามระดับจีของเราไม่เคยจบเลย จนกว่าเราจะชนะโดยเด็ดขาดไอ้คู่ต่อสู้มันไม่มาต่อแยเราเลยที่จะชนะได้เด็ดขาดได้ไงก็คือต้องมาเจริญตัวปัญญาเป็นอาวุธอ่อาอเมริกาเนี่ยใช่ไหมเขามีอาวุธเยอะใครจะมาต่อกล้าต่อแยถ้าอิลักมาต่อแยก็ถูกถล่มเชลเล่เหมือนกันน้อยอันนี้เหมือนกันถ้ามีอาวุธเยอะๆในกีฬาตัวไม่รู้มันก็ไม่กล้ามาต่อแยกับเราใช่ไหมนันก็คือเป็นผู้ชนะละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งพระชินวอนอเนี้ย ผู้ชนะเลิศเคยไดียินคำาชินวอนไหมพระชินสีบางชินวรนบางใช่ไหมผู้ชนะเลิศนั่นแนหะชนะอะไรชนะกิเลสไม่ใช่ไปชนะมนุษย์มนาที่ไหนชนะกิเลสชนะใจตัวเองไงพระชินวรน อ, อเราก็มักจะเรียกภาษา ว, ว่าชินบุตรพุทธชินอรสโอรสของผู้ที่ชนะเลิศเพราะฉนั้นเมื่อเราเป็นลูกของผู้ชนะเราก็ต้องชนะเลิศด้วยกนะ็ต้องฝึกวิชายอย่างที่ฝึก ดังนั้นเวลามาปฏิบัติวิธีนี้มันง่ายแต่ยากดูยากแต่ง่ายเพราะอะไรมันทาได้ตลอดแต่ว่าขณะทเนี่เราจะมีสติหรือไม่มีสติเท่านั้นเองทาด้วยเกิดปัญญาหรือไม่มีปัญญาเกิดรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทานะแต่ขณะทำนะี่เรารู้ตัวถูกไหมถ้ารู้ตัวถูกหมายควาปัญหาอุปสรรคเกิดมาต้องถล่มทันทีไม่ปล่อยให้มันลอยนวลใช่ไม น, นี่เข้ามาเลยปล่อยให้ลอยนวลเฉยเลย น, ะนั่งง่วงเฉยนั่งขี้เกียจนั่งฟุ้งซ่านเฉยนี่แสดงว่าปล่อยให้ศัตรูลอยนวลเล้ใช่ไหมแต่ทําไมเราไม่ถล่มมันนะพออาวุธเรายังไม่พอนะเพราะฉะนั้นการสร้างตัวรู้เก็บตัวรู้ในทุกเรียบบทเนี่ยเราไม่ใช่มาสะสมตอนที่นั่งยกมือสร้างจังหวัดแล้วแม้แต่จะไปรูกไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามต้องสั่งสมตัวรู้เรื่อยเป็นขณะขณะไปเมื่อสั่งสมมากเข้ามาเข้ า, วขาวพวกตัวไม่รู้มันจะเข้ามาไม่ได้ เพราะตัวรู้มันเป็นลัวล้อมหมดเลยตัวไม่รู้มันเหมือนกับตัวขโมยตัวขจุนนี่นะเราปิดประตูหมดเลยมันเข้าไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากแต่เป็นเรื่องที่ยังเราไม่มีประสบการณ์เท่านั้นเองอเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนแต่เป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยผ่านก็จึงอยากจะให้เราทำบ่อยๆเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อน ให้จิตมีประสบการณ์บ่อยๆประสบการณ์ในการรู้ไม่รู้มันเปอย่างนี้นะรู้มันไปอย่างนี้นะคิดมันเป็นอย่างนี้ไม่คิดเปอย่างงี้นะให้ศึกษาทั้งสองด้านเลยนะศึกษาทั้งเขาทั้งเราเผอมันเป็นอย่างนี้นะรู้มันไปอย่างงี้นะหลงไปอย่างนี้นะรู้ไงให้ดูทั้งสองข้างแล้วเราจะเลือกเป็นเผอมนอาการอย่างนี้ก็จะให้มันเกิดมันเกิดก็จัดการทันที รู้สึกตัวเอป็นอย่างนี้นะแล้วก็พยายามพ่บปุนความรู้สึกตัวให้ชัดเอาไว้นี่ลเลือกเป็นทุกๆ ก, กรณีไปแต่บางอย่างมันเลือกยากนะมันเลือกยากเช่นในสิ่งที่เราชอบเลือกที่จะไม่กินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลือกที่จะไม่ดูก็ไม่ได้เลือกที่จะไม่ฟังแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเลือกง่ายใช่ไหมแทบจะไม่แตะเลยแหละก็เชื่อตัวนี้ไม่ชอบแทาจะไม่แตะก็เชื่อตรงนี้เห็ชชนชอบนะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันเลือกยากเพราะความชอบมันเป็นตัวท้าทายมากมันถ้าจะลบกับศัตรูก็บลบกับมตดแต่วลบกับใครตามปกติลบกับศัตรูใช่ไหมแต่มตดเราไม่เคยลบแต่มตด ท, ที่มาในรูปของศัตรูน่ากลัวไหมความอร่อยมาในความพิษพิษสงูงต่างๆมาในรูปของความอร่อย อ, อย่างโลกภัยไข้เจ็บที่เกิด น, นพอเราไปติดยึด รสอร่อยใช่มแต่ในนั้นมันมีพิษอยู่แต่เราไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามิตรมันเป็นศัตรูในรูปของมิตรนักโัวกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ยากหรอกในการที่จะไปแก้ไขนะีแค่ลุกขึ้นก็หายได้ใช่ไหมแต่สุขเวทนานี่ฉันจะนั่งให้สบายที่สุดหรือ น, นั่งแช่อย่างนั้นอ่ะมันได้จอยแล้วใช่ไหมกินอาหารมันอร่อยก็เอ็นจอยกับมันนี่คือศัตรูในรูปของมิตรเราชอบเอ็นจอยกับมัน แล้วรก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติพิปัสนามาก่อนแยกไม่เป็นใช่ไหมแต่มิแท้ไปงไงมิแท้ก็คือเราไม่ไปเอ็นจอยกับทั้งสองด้านคนชั่วเราก็ไม่คบคนดีเราก็ไม่หลงแต่ว่าใช้ทั้งคนดีคนชั่วคบในบางเวลาเพราะคนชั่วบางทีเขาเป็นประโยชน์กับเราเขาไม่ได้ชั่วตลอดเวลาใช่ไหมเขาชั่วตอนที่เขาไม่รู้ตัวเท่าั้เองเพราะเขารู่นน้รู้ตัวเขาก็เป็นคนดีอ่า เขาก็เกไปเรียกว่าคนชั่วเราบางครั้งเราก็ชั่วใช่ไหมเราไม่รู้นึกรู้ตัวเราก็ชั่วบางทีเรารู้นึอรู้ตัวมาแล้วกลายเป็นคนดีเราก็ครบทั้งสองด้านใช้ทั้งสองด้านเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาซึ่งมันเป็นศิละปะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะต้องเยียบขายต้องศึกษานะเพราะฉะนั้นใ <HER> นช่วงช้ า, ชาวันนี้หลวงพ่อนำเอาเวทนาบางส่วนยังไม่ลงละเอียดพอหรอก ให้มานําเสนอในวันนี้ว่าให้ไปดูให้ออกว่าอันไหนมันเป็นตัวรู้สึกตัวแท้ๆอันไหนเป็นความรู้สึกตัวแบบหลอกๆนะความรู้สึกตัวแบบหลอกเป็นยังไงก็ <c oughs> เหมือนกับมิตรมาในรูปของศัตรูอศัตรูมาในรูปของมิตรความรู้สึกแท้ๆก็คือศัตรูก็คือศัตรูมิดก็คือมิตรแยกกันออกได้ชัดเจนความรู้สึกแท้ๆเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเอออันนี้ความสบายนะอันนี้ความไม่สบายนะ เราก็จะไม่ยึดทั้งสองข้างความสบายแล้ไม่เอ็นจอยกับมันความไม่สบายเราก็ไม่รังเกียจมันแต่ใช้มันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวมิตรแทร้ทําให้เลือกได้ชัดเจนแต่ถ้าหากเราไปเอนจอยในส่วนที่เราชอบในส่วนที่เราไม่ชอบเราก็ไปต้านมันไม่เอามันทุกข์กับมันนี่เขาเรียกว่ามิตรมาในรูปของศัตรูแร้วศัตรูมาในรูปของมิตรลักษณะอย่างนั้นเราต้องแยกให้ออก แล้วมันก็จะง่ายนะจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินเนี่ยถ้าเรามีตัวรู้เข้าไปแยกมันก็เห็นชัดอ๋อตัวไม่รู้ไปอย่างงี้นะเราก็แยกออกมาไปอยู่กับตัวรู้อ๋อตัวรู้ก็ไม่เที่ยงพอไปแยกสักพักเดี๋ยวคืลืมใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่รู้ตอนแรกที่มันยังไม่คงที่มันก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นมารู้บางหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างแต่ถ้าเราเลือกตัวรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวรู้มากกว่าตหลงใช่ไหมเราไปก็จะมาอยู่ข้างนี้นะา เพราะฉนั้นช่วงชาวนี้เราลองเอาไปศึกษาดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้ค่อยเก็บเกี่ยวตัวรู้สึกตัวค่อยสังสมตัวรู้สึกตัวจากกิจกรรมต่างต่าให้เผอน้อยที่สุดแต่ถ้าเผอลอเราตั้งสติให้ทันเออเผอคุยกันไม่ั้งนานแล้วก็พูดใช่ไหม ท, ทั้งที่รู้ว่าคุยกันมาตั้งนานแล้วก็เผอเพิ่งรู้ตัวใช่ไหมแต่คุยกันไปตั้งนานแล้วเออเผอกินไปตั้งเยอะใช่ไหม กวรจะรู้ว่ามันไม่เข้าท่ามันอี่ไปแล้วทําไมเออเผลอคิดไปทรืงเยอะมีด้วยนะเออเผลอคิดไปเรื่งเยอะเพิ่งรู้ตัวถ้าโอ้ฉันเผลอกินยาพิษไปทรืงเยอะนี่มีโอกาสที่จะกลับตัวทันไหมไม่ทันจะ ต, ตายลูกเดียวเออถ้าเผลอคิดไปเรื่องเยอะยังมีโอกาสกลับได้แต่บางคนไม่ได้เผลอเข้าไปในความคิดเลยนี่อันที่มันทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะด้วยความเผลอด้วยความหลงหนะ จะขออนุโมทนาสาธุให้เราตั้งใจศึกษาเรียนรู้วันนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเวลาอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิด